1.11 ปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเราฝึกสติไม่ใช่เพื่อไม่ให้ขาดสตินะเราฝึกสติเพื่อให้รู้ว่าเมื่อกี้ขาดสติตั้งหากฉะนั้นเดี๋ยวก็เผลอไปแล้วก็รู้สึกเผลอไปแล้วก็รู้สึกการปฏิบัติเหลือแค่นี้เองแต่ถ้าจะฝึกไม่ให้ขาดสติจะเครียดสุดขีดเลยเพราะกำลังทาสิ่งที่เป็นอนัตตาให้เป็นอัตตาสติสั่งให้เกิดไม่ได้ บางคนไปเดินจงกรมกระแทกเท้าใหญ่หรือจะขยับขยื่นมือนะเพ่งเพงเพ่ ง, พงกลัวจะขาดสติขณะที่กลัวขาดสตินั่นแหละขาดสติเรียบร้อยแล้วโลภะหรือโทสะแทรกเข้ามาในใจเรียบร้อยแล้วขาดสติไปแล้วฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกสติเพื่อไม่ให้ขาดสติแต่เราฝึกสติเพื่อว่าทันทีที่มีสติเราจะรู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วความหลงก็ดับไปแล้วเกิดความรู้สึกตัวรู้สึกได้แวบเดียวก็จะขาดสติอีก คาสติอีกรู้อีกจุดสุดท้ายปัญญามันจะเกิดจิตจะขาดสติลงไปห้ามมันไม่ได้มันหลงของมันเองมันทำงานของมันเองจิตจะรู้สึกตัวสั่งไม่ได้มันรู้สึกขึ้นเองเพราะมันจำสภาวะได้รู้สึกแล้วก็รักษาความรู้สึกตัวไว้ไม่ได้อยู่ชั่วขณะก็ดับไปเช่นเดียวกับอกุศลนั่นแหละถึงจุดนี้ปัญญาจะแจ้งกุศลหรืออกุศลเกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิน้น เห็นไหมจะเห็นภาพรวมเกิดความรู้รวบยอดแค่เราเห็นจิตรู้ขีดจิตเผลอกับจิตมีโมหะขีดจิตรู้สึกตัวแค่นี้เองสุดท้ายจะเกิดความรู้รวบยอดจิตทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับไปจิตทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้มันทำงานของมันเองนี่ปัญญาอยู่ตรงนี้เข้าใจอย่างนี้ก็ละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรา ทำไมหลวงพ่อมาเน้นที่จิตเพราะในบรรดาขันห้าที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตนี่เองทันทีที่เรามีสติขึ้นมาเราจะเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะจะรู้สึกเลยว่าไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า กุศลและอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเหลืออันเดียวในโลกนี้คือตัวจิตนี้เองเรารู้สึกว่าจิตนี้คือตัวเราเราไม่เห็นอีกด้วยว่าจิตเกิดดับเราจะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆ ก, ก็ยังเป็นเราคนเก่าๆอยู่พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิด ดูการะพิสุทั้งหลายผู้ทุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ผู้ทุชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราปิดเครื่องหมายคำพูดเพราะจิตนี้เกิดดับรวดเร็วมากมันสืบเนื่องกันเข้าจนเรารู้สึกว่ามันเที่ยงมันมีจริงๆมีถาวรแท้จริงแล้วเป็นภาพลวงตา คล้ายๆตัวการ์ตูนสมมุติการ์ตูนโดเรมอนนะเราเห็นมีโดเรมอนตัวเดียวใช่ไหมยังวิ่งไปวิ่งมาบินไปบินมาได้ทั้งวันทั้งๆที่จริงๆมันคือรูปที่มาต่อกันหลายๆรูปเกิดภาพลวงตาว่ามีตัวมีตนขึ้นมาในจิตใจนี้ก็เหมือนกันมันมีภาพลวงตาเพราะเราไม่เห็นจิตเกิดดับมันเกิดต่อเนื่องกันเร็วเราเลยรู้สึกว่ามันเที่ยงมันมีตัวตนจริงๆมันวิ่งไปวิ่งมาได้ที่จริงไม่มีวิ่งไปวิ่งมานะ จิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจทีนี้มันสลับกันเร็วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนภาพกระตูนมันเป็นภาพลวงตาถ้าเราเฝ้ารู้ลงไปลงไปเราจะเห็นเลยถ้าจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วจะไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกแล้วเพราะในขันห้านี่จิตเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดฉะนั้นเวลาแตกหักมาแตกหักที่จิตเวลาปฏิบัติถ้าปฏิบัติเข้าที่จิตเลยจะสั้นนิดเดียว หลวงพ่อเทียนสอนว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางของการปฏิบัติปิดเครื่องหมายคำพูดรู้ว่าจิตคิดนะคนในโลกนี้ไม่มีคนรู้ว่าจิตคิดคนในโลกนี้รู้แต่เรื่องที่จิตคิดเราคิดเรื่องอะไรเรารู้แต่จิตไปคิดไม่เห็นอาการที่จิตแอบไปคิดถ้าเมื่อใดเราเห็นอาการที่จิตไหลไปคิดอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดค่อยๆสังเกตนะทั้งห้องเลยสังเกตไหม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 ฉะนั้นการที่จิตลงไปคิดนี่เป็นศัตรูอันดับหนึ่งเลยตัวร้ายมากเลยมันจะหลงทั้งวันนะหลงไปคิดแวบไปรู้เรื่องที่คิดแล้วไม่ทันรู้ว่าจิตไปคิดหลวงพ่อเทียนสอนว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางปิดเครื่องหมายคําพูดคือจะเกิดความรู้สึกตัวสามารถรู้กายรู้ใจได้การรู้กายรู้ใจนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาพอรู้ทันว่าจิตคิดก็จะสามารถทําวิปัสสนาได้ วิปัสสนายังมีรู้กายรู้ใจอีกหลวงพ่อเทียนก็สอนต่อไปอีกบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดปิดเครื่องหมายคําพูดเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าจิตนี้คือตัวเราเหนียวแน่นที่สุดถ้าทําลายตัวนี้ได้นะทําลายความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้ขันห้าทั้งหมดจะไม่เป็นเราทันทีจะเป็นพระโสดาบันทันทีถ้าทําลายความยึดถือจิตได้ก็จะไม่ยึดถืออะไรอีก เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติถึงขั้นแตกหักขั้นสุดท้ายที่จะข้ามภพข้ามชาติมันจะเรียนเข้ามาที่จิตอันเดียวล้วนๆเลยเพราะกายนี้ปล่อยวางไปก่อนแล้วตั้งแต่เป็นพระอนาคามีมันจะตะลุมบอลทาศึกครั้งใหญ่อยู่ที่จิตนี่เองเพราะฉะนั้นให้เราเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจนะนี่เป็นวิธีที่รัดสั้นที่สุดแต่บางคนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนกายเป็นบ้านของจิตดูบ้านไว้นะเดี๋ยวก็เห็นเจ้าของบ้านไปเฝ้าหน้าบ้าน เดี๋ยวก็เห็นเจ้าของบ้านแต่ถามว่าอ้อมไหมอ้อมแต่อ้อมอย่างนี้ก็ยังพอใช้ได้ถ้าอ้อมนอกโลกไปเลยใช้ไม่ได้นะเช่นเดินจงกรมไปรู้ว่าพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้ไม่มีสาระอะไรมันไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นเรียนจนวันหนึ่งเห็นตัวเราไม่มีพระโสดาบันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีพวกเรารู้สึกไหมในนี้มเมราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหย วันใดที่ได้พระโสะดาบันแล้วมองย้อนลงมาตัวนี้จะหายไปความรู้สึกว่ามีเราจะหายไปแล้วไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยถ้าคนไหนดูแล้วยังผลุกๆลุโผล่ลลนะพระโสะดาเกะ